มาทั้งหมดน่ยที่นี่บรรยากาศมันเป็นธรรมชาติมากเลยมีน้ํามีน้ํามีลมโพลมใสเยใสใหญ่ทั้งสามต้นต น, นี่ต้นโพนี่ก็วัยอยู่ไป็นยร้อยปีปของเก่าโบราณเลยเป็นธรรมชาติมากเลยในเนี้ยแล้วก็ย้อนยุค น, น่ัง่งฟังธรรมใต้ต้นโพใต้ตลมโพลมใสสมัยบุธกาล ผู้เจ้าตัดสรูใต้ต้นโพแสดงธรรมใต้ต้นโพผูพ้เจ้าก็แสดงธรรมตามใต้ต้นไม้เป็นธรรมชาติมากเลยนะลมเย็นพ้คลื่นใจก็นเป็นธรรมง่ายเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งง่ายเพราะมันอยู่กับธรรมชาติ มันคืนธรรมชาติง่ายเราจะเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นยังไงที่ท่านกล่าวว่าเราจะพ้นทุกข์โดยถาวรได้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้ได้ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ธรรมชาติเขาเนี่ยดินเขามายึดน้ำน้ำมายึดลมลมมายึดแสงแดด ต่างคนต่างธรรมชาติทั้งหมดเขามายึดซึ่งกันและกันมีแต่ให้คุณประโยชน์หมดเลยแสงแดด ก, ก็ให้คุณประโยชน์แก่มวลสรสัตว์ทั้งหลายได้ให้ความอบอุ่นให้ต้นไม้ให้สัตว์ได้มีชีวิตให้ต้นไม้ได้งอกงามไห้บูญให้ชีวิตคนอยู่ได้ลมกรพัดมาให้ชื่นใจน้ําก็ได้ให้ชีวิตทั้งหลายได้อาศัยดื่มกินได้อาศัยปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร แผ่นดินก็ได้อาศัยปลูกบ้านที่อยู่อาศัยปลูกพืชให้ได้กินกันดินน้ำลมไปอากาศลวนแต่มีคุณอันนันต์แต่เขาไม่ยึดถือซึ่งกันและกันการให้ก็ให้แบบวันเวไม่มีการทวงบุญนี่บุญคุณจากใครให้แบบบันเวจริงๆไงมีแต่ให้คุณประโยชน์ ธรรมชาติเราสังเกตดูสิพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ให้แต่คุณประโยชน์น้ำดินแผ่นดินลมอากาศให้แต่คุณประโยชน์ไม่เคยทวงหนี้บุญคุณจากใครไม่ยึดถือใครไม่ละเกียดใครถ้าใจคนทั้งหลายอ่ะทําแต่ประโยชน์ เป็นผู้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากใครไม่ยึดถือไม่ติดลักติดกังเขาก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผู้ใดกลับคืนใจของเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้เขาจึงพ้นทุกข์จากถาวรได้พ้นทุกข์่างถาวรได้การที่จะพ้นทุกข์่างถาวรได้คือต้องกลับคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้ได้ ที่เป็นผู้ให้อย่างวันเวแล้วก็ไม่ยึดถือไม่คิดจะเอาคืนไม่ติดลัทธิติดทนงเขาก็จะพ้นจากทุกท้งปวงได้เพราะนั้นเวลาสอนทำกลางธรรมชาติเนี่ยมันง่ายกว่าพอมาเรียนรู้จากธรรมชาติ นี่แน่ที่พุทธเจ้าตัดกับราหุลว่าราหุลให้ทำใจเหมือนกับแผ่นดินหรือนี่แนี่ก็คือทำใจเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเป็นธรรมชาติในเดียวธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ไม่ยึดถือไม่ติดลักติดชังใครจะทำร้ายอย่างใครจะทาอย่างไรก็ไม่โกรธเกลียดเขาไม่เอามาแค้นเื่องข้างคาง ที่หลวงปู่ดัวโดตรว่าโกรธมีแต่ไม่เอากุมก็หมโกรธมโหวุ๊บขึ้นมาได้แต่แล้วก็ดับไปเป็นเพียงแกริยาการจิตแต่ไม่มีม า, ายาคือยึดถือภูกปยาบาติอาฆาตผูกใจเจ็บไม่มีผู้ใดทำใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ปฏิบัติใจตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ผู้นั้นจะคนจากทุกข์ทั้งพวง นั่นเวลาสอนในธรรมการธรรมชาติจะง่ายเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติใจก็กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติร่างกายก็มานั่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าเราไม่รู้สึกทําตัวเราให้แตกต่างกับธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีความจุกแล้วที่เราเนี่ยมันมีความทุกข์มีกิเลสมีความเครียดนั่งอยู่ทําการธรรมชาติแต่ใจไม่เป็นไม่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมาอยู่ธรรมชาตินาอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ยึดถือ แต่เรามาอยู่ในธ่รมกลางธรรมชาติแต่ใจกับวุ่นวายเต็มไปด้วยความยึดถือปรุงแต่งสารพัดเราเลยพ้นทุกข์ไม่ได้มีแต่ความทุกข์อยู่ที่บ้านก็ทุกข์อยู่ที่ทํางานก็ทุกข์พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่มาอยู่ในธรรมกลางธรรมชาติที่สงบส ง, บสงัดวิเวกเสียงจริงบีบจ๊กกระจันเละไร้ร้องลมพัด ส, สบายน้ํา มีน้ำมีมีหญ้ามีต้นไม้มีต้นล้มโพล้มใส้ใหญ่ดีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ที่ต้นไส้ชนโพนี่ดีพระธรรมของพระเจ้าแสดงผ่านพระสงฆ์พระสงฆ์งก็แสดงธรรมอยู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์งก็ปรากฏอยู่ที่นี่ธรรมชาติก็อยู่ตรงนี้แต่เราแตกต่างจากธรรมชาติอยู่ในที่นี้ฟังธรรมในที่นี้ แต่ใจมีแต่อดีตมีแต่อนาคตเอาใจไปอยู่กับคนนั้นแล้วไปอยู่กับคนนี้ไปอยู่กับสิ่งนั่นไปอยู่กับสิ่งนี้ไปวุ่นวายกับคนนั่นไปวุ่นวายกับคนนี้ใจไม่อยู่กับใจของเจ้าของไปอยู่กับคนนั่นไปอยู่กับคนนี้ไปวุ่นวายกับคนนี้ส่งออกนอกไปตลอดวุ่นวายตลอดไม่อยู่กับใจคนเจ้าของไม่อยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เลยใจของเจ้าของมันเนี่ย แต่แเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วไม่อยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เลยธรรมชาติข้างนอกกั บ, บริสุทธิ์ธรรมชาติข้างในใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์มันไม่อยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เลยปรุงแตง่งถ้าเราสังเกต ด, ดีๆธรรมชาติเขาเงียบ ก, กขสงบเขาสงัดเสียงเนี่ยเสียงนกร้อ ง, เ ส, งเสียงจริงเสียงจักรจัดร้องเนี่ยลมพัดอยู่ใต้ลมโพล่มใสอยู่ไก่น้ํา ไปสนามหญ้าที่ธรรมชาตินั่งอยู่ธรรมกัมกลางธรรมชาติเนี่ยแต่สังเกตดีๆเดียมีไอ้บ้าอยู่คนเดียมีไอ้บ้ามานั่งอยู่ตัมกลางธรรมชาติมันไม่สงบไม่สงัดเลยมานั่งคิดนั่งบ่นอยู่คนเดียวพลัมพลัมพลัมพเอาเรื่องของคนนั้นมาคิดเอาเรื่องของคนนี้มาคิดเอาเรื่องของอดีตมาคิดเรื่องกองบลอนาคตมัวตัวไปหมดวุ่นวายไปหมด หาความสุขความสงบใจไม่ได้เลยเแล้วเราไปโทษคนอื่นมาทําให้เราเป็นทุกข์ใจเราเนี่ยแหละมันก็มาอยู่กับธรรมชาติของใจใจมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่ไม่ปรุงแต่งแต่เราปรุงแต่งมั่วไปหมดปรุงสร้างไปหมดมันก็เลยมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ก ค, วก ค, วกความเครียด อยู่ทำการธรรมชาติอย่างปฏิบัติตื่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้อย่าหวังเลยว่ากลับไปอยู่ที่บ้านที่ทํางานแล้วจะปฏิบัติได้อ่านใจของตัวเองให้ขาดว่าใจของเรามัน็นตื่นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือว่ามันแตกต่างจากธรรมชาติหรือว่ามีไอ้บ้าอยู่คนมานั่งบนนั่งคิดนั่งตึกนั่งตองนั่งพูดอยู่คนเดียวในใจสารพัดวุ่นวายพวงนั่นกังวล น, นี่ยึดนั่นยึดนี่ไปหมดเลยสารพัดเลย จะเป็นอย่างนี้กันน้อมเอาให้ใจเป็นบ้านอาราธนาเพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เข้ามาไว้ในบ้านของเราไว้ในใจอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์น้อมเข้ามาไว้ในในบ้านกับในใจน้อมเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้ไม่หลงนั่นแหละผู้รู้แจ้ง ผู้ไม่หลงแล้วผู้ตื่นก็ตื่นจากความหลงผู้เบิกบานก็ไม่ไปยึดอะไรมาทําจิตใจให้เศร้าหมองอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งน้อมเอาพระพุทธเจ้าน้อมเอาพระธรรมน้อมเอาพระยโสมาไว้ที่ใจให้ใจเป็นบ้านอรัตนาเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยโสมาไว้ในใจไว้ในใจ เอาใจเป็นบ้านและน้อมเอาอรหนาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าบ้านถ้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเยาะสงมาเข้าบ้านมันก็เอ า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแทนที่กิเลสแทนที่ความทุกข์แทนที่เรื่องราวได้ๆมากหลายในใจให้มีกิเลสและความทุกข์มีความกังวลใจทุกใจแต่ถ้าเอาพระเจ้าเอาพระธรรมพระเยสงุงออกจากใจไปออกจากบ้านไป พวกมารทั้งหลายกิเลสและมารทั้งหลายก็เข้ามาสู่ใจให้เป็นทุกข์ให้เป็นกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์ความเครียดมันก็แทนที่กันพอพระเข้ามามารกิเลสมารก็ระความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปกิเลสเอากิเลสมารไปเอาเชิญเอากิเลสเอามารทั้งหลายเข้ามาไว้ในบ้านพระก็หายไปมันก็อยู่ที่ว่าจะเอาพระเข้าบ้านหรือเอากิเลสมารเข้าบ้านล่ะเอากิเลสมารเข้ามาในบ้านพระก็หายไปเอาพระเข้ามากิเลสมารก็หายไป มันอยู่ที่ว่าเราอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เข้ามาบ้านคือใจของเราหรือเอากิเลสบานเข้ามาเห็แล้วกัน้อมเข้านั่งกันเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธน้อมเอาอรัตนาพุทธเจ้ามาไว้ในใจ